เป็นแฟนของคุณเมื่อยามฉันจ้องเห็นต้องหลบชุนละมุนสองสายแท้พ อ, อ, อคุณจะรอไออุ่นจากใครจริงหรือคุณไอไม่เคยมีแฟนที่บอกขาดคนควงแทนไร้คู่เป็นแน ไม่ตรีแล้วฉันนี้จะต้องช้าใจคุณเอ๋ยฉันก็ไม่เคยมีแฟนเนื้อหอมที่เคยห่วงแฮงเงินแสน